จเรานเรื่องศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาชื่อมันก็บอกแล้วว่าต้องศึกษาสามเรื่องเนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรสิกขาเรื่องที่ต้องเรียนสามเรื่องเรื่องศีลก็คือทําไงใจเราจะเป็นสัติคือศีล น, นี่ยมันก็เกิดจากสติอย่างเวลาตาเราเห็นรูปจิตเราเกิดกิเลส เรามีสติรู้ทันกิเลสเนี่ยกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลละนี้ส่วนมากเราดูไม่ทันเราไม่ดูนี้พอใจมันเป็นปกติเนี่ยสิ่งที่ต้องมาเรียนต่อไปนะคือหมายถึงเรามีสติรู้ทันใจเราเนี่ยกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้ศีลมันจะเกิดเองนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นใจเราชอบไหลไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกาใ จ, ใจ ถ้ารู้ทันจิตที่มันไหลไปนะใจจะตั้งมั่นสตินั่นก็ทําให้เกิดสัมมาสมาธินี่เราต้องเรียนต้องคอยสังเกตจิตที่มันส่งออกนอกไปส่งไปข้างนอกส่งไปข้างในนี่พอเรารู้ทันจิตที่มันส่งใสจิตมันจะตั้งมั่นเองไม่ต้องแกล้งทําำอย่างที่เดิมคุณเฟสดเขาทำนี่ยคือไปประคองเอาไว้เนี่ยเราแทนที่เราจะประคองให้นิ่งนะเราไม่ต้องประคองให้เรารู้ทันที่มันไม่นิ่งให้รู้ทันที่มันเคลื่อนไหว แ้วมันนิ่งเองโดยเฉพาะไอ้เรื่องการหลงทางใจอย่างเป็นเพัว่าเราคิดเนี่ยเราจะไปรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเองนี่เท่าใจเรามันไม่ไม่เผลอนะไม่ไม่เผลอไม่หลงคราวนี้ยมันรู้กายมันรู้ใจนะทั้งหมดมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูไม่ต้องกลัวไม่เกิดปัญญาเลย คือเอาสักตัวหนึ่งก็ได้นะไร ล, ลักเนี่ยเห็นอันเดียวก็พออย่างสมว่าเราเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อไรหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยกายกับใจหรือรูปกับนามจะไม่ใช่เราแันทีเลยเพราะความเป็นเรามันเกิดจากความคิดเท่านั้นเองนี่พอเราไม่หลงคิดใช่ไหมความรู้สึกอะทุกอย่างอะที่ผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปเนี่ยมันแสดงความเป็นไรรักณมัน เกิดแล้วมันก็ดับไปทนอยู่ไม่ได้นะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราให้เห็นว่าไม่ใช่เราเอาเชอรี่ตืน่นเดี๋ยวคุยกับ น, นี่ก็ได้นะคุณไกลพัด น, นี่เขาภาวนาเก่งนะในเรื่องความรู้สึกตัวอะไรเนี้ยถ้าเราทิ้งเรื่องความรู้สึกตัวคือ ท, ทิ้งเรื่องปฏิบัติลนะศาสนาพูดเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเราก็หลุดออกอย่างโลกของความคิด อยู่กับโลกของความเป็นจริงเิฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นความจริงเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความคิดคิดทั้งวันแล้วเผลอๆไปรู้แต่เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจตัวเองเพราะงั้นเรารู้กายรู้ใจไม่ได้คือรู้รูปรู้นามไม่ได้ทํา ม, มิปัตสนาไม่ได้คำจริงมีในประปิบนะเขียนไว้หมดแล้วนะจับหลักตรงนี้ได้ก็ปฏิบัติได้แล้ว ไม่ยากอ่ะคนไทยบ้างว่างไงส่งกันบ้านไหมโยอ่ะแล้วใครจะส่งกันบ้านเชิญอหนูนาว่างไงหาแล้วไปก่อมันทำไม น, นี่ใช่ลูกเรา <c oughs> อืม ใจลอยนะรู้จักใจลอยอยังอย่าใจลอยนานใจลอยแว บ, บเดียวพอแวบบแล้วรู้แวบบแล้วรู้นะห้ามใจลอยนานเนี่ยใจลอยอีกล้วคือเราใจเราพร้อมจะทิ้งตัวเองทิ้งความรู้สึกนะทิ้งความรู้สึกตัวเองไม่อยู่กับความคิดด้วยด้วยหรือบางทีก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นอย่างเราเห็นคนเดินมาเนี่ยเราไปดูเขาจิตเราเกิดราคะเกิดโทสะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเห็นแต่คนอื่น ได้ยินเขาคุยกันข้างบ้านคุยกันนะได้ยินหมดเลยมีที่ประโน์ฟังชาว บ, บ้านคุยกันได้ขณะนั้นลืมตัวเองหรือเรานั่งเฉยๆนั่งคิดไปพีใจลอยก็ลืมตัวเองบางทีรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดก็ลืมตัวเองนั่นแหละเพราะฉนั้นปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่เอามาใช้ไม่ได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคอยสังเกตอนะ่ะ สังเกตการสังเกตลงในกายสังเกตลงในใจเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างเรานั่งเนี้ยทีแรกเรานั่งสบายนั่งนานานเมื่อยเมื่อยก็ขยับพอขยั บ, ยบเปลี่ยนหายเมื่อยเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกละเพราะความทุกข์เนี่ยตามเราทั้งวันเลยนี่ถ้าใจเราเห็นอย่างซ้ำซ้ำซ้ทุกวันในที่สุดใจยอมรับความจริงว่ากายที่เป็นตัวทุกข์นะกายไม่ใช่ตัวดีหรอกสุดท้าเราจะต้องตายจริงๆริ ตายตายได้ก็ดีเยอยู่ไปก็เมื่อยแบบเล่านี่ในทางจิตใจละ่ะในทางกายนมันแก้ไม่ได้มันทุกข์แน่นอนในทางจิตใจเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเมื่อไหรเราเผลอเราหลงจิตของเราไหลเข้าไปเราก็ความทุกข์ถึงจะเกิดถ้าจิตไม่ไหลเข้าไปความทุกข์ไม่เกิดหรอกได้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าก็ไม่ได้ความคิดอะไรอะอ ไม่หลงคือสังเกตตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเวลาเราคอนเซนเทรตอะไรสักอย่างนะจิตเราไหลเข้าไปตรงนั้นเนี่ยจิตไม่ตั้งมัน่นไม่ต้องจิตตั้งมัน่นไม่หลงเลยรู้ทุกอย่างนะสักว่ารู้ใจไม่ไหลเข้าไปไหลในความว่างก็ได้ตรงนั้นเป็นสมถะในที่ปฏิปรธปรรตมาเขียนไว้อ่านอ่านไม่ถึงมั้งเรื่องสติปัฏฐานจิตตานุปสนาไม่มีจิตอยู่สองชนิดจิตอันนึงเนี่ยไปหลงเพ่งช่องว่าง จิตไหลเข้าไปในช่องว่างอีก <Yeah. S 1> อนนันเพ่งความไม่มีอะไรเลย <Yeah. S 1> ไม่มีอะไรสักอย่างสองอันนี้เป็นสมถะ ต, <c oughs> ต้องปฏิบัติสิอย่าเพ่งไม่ปฏิบัตินะปฏิบัติก่อนหมายถึงปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติหมายถึงว่า <c oughs> อย่าทำตามความอยากอย่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้นู่นอยากได้ไดนี้ วิธีการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดเลยก็คือรู้สึกเข้าไปตรงๆเลยนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแล้วแต่ชอบนะอะไรก็ไดนะ้ที่หลวงพ่อถนัดก็คือรู้สึกรู้ทันความรู้สึกของเราเองเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติด้วยความอยากเราจะเริ่มนั่งจ้องมานั่งจ้องไม่มีความรู้สึกอะไรให้ดูแล้วนิ่งๆเพรานั้นใช้ไม่ได้ที่ว่าทาเหมือนไม่ทาก็คือ อย่าไปบังคับใจตัวเองให้มันนิ่งลืมตาขึ้นมาเนี่ยตาเห็นสาวใจมันชอบหรือว่าชอบะหันมาเห็นคนข้างๆเรามีหนวดมีคาวหน้าเหมือนโจร น, น้ากลัวนะรู้สึกกลัวอนะไรเงี้ยรู้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนะ่ะเกิดแล้วดับไปมาแล้วไปอย่าไปบังคับใจให้นิ่งนะหลวงปู่ม่านสอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไงน้า น, นิดส่งอัคจะเชิญส่งกันบ้าน อ๋อมันรายดการรู้นะคือสมุทัยก็มีหลายเกรดสมุทัยที่ละเอียดที่สุดเลยก็คือสมุทัยที่จะทําให้จิตของเราไปสร้างพบสร้างชาติวิธีละสมุทัยขั้นสุดยอดเลยคือการรู้ทุกข์นั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ตัวน่ารักเลยความอยากความดิ้นรนของจิตจะขาดเอง อย่างทุกวันนี้เราดิ้ น, นรนโดยเฉพาะเราหาความสุขมาให้ใจเราเราคิดว่าใจเป็นของเราแบบงั้นเราจะพยายามหาความสุขมาให้ใจเช่นพามันไปดูอะไรสวยๆพาไปดูหนังพามันไปฟังเพลงอย่าเงี้ยเพื่อจะให้มันมีความสุขนะอ่านวรรณกรรมดูศิละปะวัฒนธรรมเนะี่ยให้ใจมีความสุขเพราะเราคิดว่าใจนี่เป็นตัวเราเพราั้นความอยากที่จะแสบสายไปหารมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดตลอดเวลาเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเฝ้ารู้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเห็นว่าตัวกายกับตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีแต่พอเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์จริงๆแล้วความดิ้นรนแสบสายเพื่อจะตอบสนองมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือเห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยสมูทยัยแค่ขาดเด็ดขาดอันนี้ขั้นสุดขีดเลยนี่ถ้าระดับรองลงมาล่ะสมมุติ ง, ง่ายๆเลยเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นพอเราเห็นความโกรธปุ๊บ ใจเรานักปฏิบัติอยากละความโกรธให้รู้ทันความอยากนี้เลยแต่ถ้าถ้ารู้ทันความอยากเนี่ยความโกรธก็จะหายไปเองแต่ถ้าเราอยากหายโกรธอยู่นะยังไงความโกรธก็ไม่หายเพราะขณะนั้นจิตของเราถูกความอยากครอบงาจิตเป็นอกุศลแต่เห็นนะักความโกรธอยู่นะแต่เห็นอย่างจิตอกุศลไม่ใช่จิตมีสติจริงพอไปเห็นความโกรธแล้วเกลียดมันเกลียดมันก็คือโทสะอีกตัวหนึ่งนะั่นแหละ เพง้นจะละสมุทัยก็คือรู้ทันความอยากของเรานะยิ่งอยากดีอ่ะตัวดีเลยนักปฏิบัติไม่ค่อยอยากร้ายเท่าไหร่เป็นมากอยากดีหรืออยากไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นเลยอยากไม่ให้กิเลสเกิด น, นี่ต้องรู้ทันพวกนี้จะหลอกให้เราทําอะไรต่ออะไรวุ่นวายขึ้นมาเยอะแยะ บอกว่าการภาวนาด้วยด้วกสิ่งของหนอมันได้แผที่ข้ไปตัดตึงไให้เรียการาวาขึ้นมาทีนี้พอาปวดมากเขาก็เล่อขึ้นมาเรื่องขึ้นมากล้วหลุดหลก็มองเห็นตัวมาตัวเองเนี่ยก็นอนอยู่ขบอกมองก็เห็เว่าด้านี้มันนาแล้วก็ดิอันนั้นดเดือดต้วยเช่นกั แล้วไม่ได้มีความสุขจ่วเรียนที่ว่าหลังจากนั้นฟืนแล้วเนี่ยความรู้สึกประสบการณ์ตันั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล ม, มากจกลถามว่าในกรนี้นะคะคุณจะนำไปใช้ใาให้ปเปลยนในทิศทางที่ไม่ไปสมถะ ต, ตอนนี้เนี่ยก็เที่เพิ่ม่ไปสมระมคืออย่างเรารู้กายแล้วเนี่ยนะหลวงปู่มั่นสอนรู้กายเพื่อจะมารู้ใจ นะสังเกตลงไปเลยใจเราเราพอไปรู้กายเห็นกายเน่าเปือยกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจเราเป็นกลางจริงไหมนะให้รู้ทันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันถ้าใจเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางนะให้มารู้อยู่ที่ใจมันไม่ต้องไปรู้รูปนี้อีกละรูปรูปนี้เป็นทางผ่านก็จะเข้ามารู้ใจเท่านั้นเองแต่เดิมคนมันติดรูปนะเพราะงั้นครูบาอาจารย์พาดูรูป ดูไฟดูไฟันเห็นหน้าเบื่อหน่ายนะไม่น่ายึดถือตรงนี้ถ้าจิตไปหยุดคาอยู่ตรงนี้จะเกลียดรูปจิตจะเกลียดรูปเกลียดกายนะเพราะฉะนั้นต้องมารู้ทันอยู่ที่จิต อ, อีกชั้นหนึ่งนะอย่างสมัยพุทธกาลมีพระพิญนาสุาพระและวฆ่าตัวตายไปห้าร้อยองค์เข้าใจไม่เป็นกลางวิธีการก็คือพอพอเรารู้สึกเบื่อหน่ายรูปเนี่ย ให้รู้ทันความรู้สึกของเราความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้เข้ามาที่ใจความเบื่อหน่ายก็เป็นอีกควาเบื่อหน่ายก็เป็นโทสะตัวนึ่งเพราะว่าหลังจานิยาวิจารว่ามองเห็นจะอกูรานั่งไม่ได้กับกูรานัก็จอเห็นี่เผาวเองคือคืออีกวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มัดป่าชอบใช่นะคือเผาไปเลย พีานาลงไปให้มันสลายให้หมดเลยเพราะมันสลายแล้วก็มารู้อยู่ที่จิตต้องกลับมาที่จิตนะไม่ว่าปฏิบัติยังไงเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่ย้อนเข้ามาที่จิตเนี่ยปัญญามไม่เกิดจริงไอ้การที่เห็นตัวเองสลายไปนี่เป็นสมถะอย้อนกลับมาดูที่จิตเห็นจิตไม่พอใจจิตไม่ชอบรูปจิตเบื่อรูปรู้ทนันความเบื่อจิตก็เป็นกลางให้มารู้ทนันเข้ามาที่จิตอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรเนี่ยเข้ามาที่จิตแล้ว เป็นทางเดินที่ปลอดภัยมันยากอที่ว่าตัวตั ว, เวนเนยเขาไม่ได้ปฏิบัติลักอยู่แล้็มัมนมประเภทเรียกสมถยานิกทำฌานก่อนแล้วทำฌานเนี่ยต้องมารูกกายในคำพีสอนชัดเลยว่ากายสมถายานิกเนี่ยควรจะใช้กา ย, ยานุปัสสนา เพรพอเราจิตรวมมีพลังรู้ลงที่กายนะถ้าพอกายสลายนะนะให้ย้อนเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์จะสอนเลยสลายกายเข้าสู่จิตนะจะดูกายให้มันเน่าเปื่อยก็ได้ถ้ามันเห็นนะนะดูไปเน่าไปสลายไปเห็นหมดกายแล้วกลับมารู้สึกตัวไว้รู้ทันใจที่อยู่เฉยๆนะใจเป็นกลางหรือว่ากายเน่าไม่หมดก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าจิตเบื่อหน่ายจิตเกลียดกายมารู้ความเกลียดของจิต คื อ, อยังไงต้องกลับเข้ามาที่จิตไม่ว่าจะเดินแนวไหน องก็ได้ตามไปพอิดก็ลับมาองว่าอ๋อันนี้ปนตนเจะได้มาี่ร่งได้สิ่งอย่างนี้ก็คือเาก็จะวนอยู่งนี้มาเพราะว่ามีเวลาแบบที่แต่วเวลาปิิมากวัน่สาโมเขาก็เสียอก็กลัวว่ายิ่งลึกลงไปก็ยิ่งขาดการทที่มนจะเป็นคือถ้าเขารู้จักการเพ่งจิตแล้วเนี่ยนะไม่เพ่งจิต หมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยให้กลับมารู้ทันจิตตัวเองนะแต่ไม่เพ่งจิตให้รู้ทันจิตเพราะฉะนั้นทางเดินเนี่ยสุดท้ายล้วไปบรรจบลงที่เดียวกันหมดเลยนะคือกลับมาที่จิตนั่นเองง่ายนะนิดใจลอยไปแล้ว น, น, นิดนะหนูนาเป็นไงเช้านี้ยังไม่ง่วงเหรอหรือง่วงหน่อยน่อย เนี่ยรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยนะดีแล้วใช้ได้แล้วรู้สึกเลยด้วยเชอรี่ยังหลงรู้ไหมดูออกไหมใจมัวมัวดูออกไหมเออมัวมีมูมหะรู้ทันมันเนี่ยเนี่ยเที่วไปสังเกตมันลนะดูออกไหมจิตเราส่งออกไปสังเกตรู้ว่าส่งออกไปไงคุณแอนเป็นไงบ้างวิ่งหลายวัด อย่าคิดมากนะการปฏิบัติมันง่ายคิดมากยากนานคือแทนที่เราจะไปทําอะไรเรารู้ทันลงไปในใจเราแอบไปทําอะไรค่อยรู้ทันอย่าไปทํามันเสเอยงนักปฏิบัติในชอบเอาใจไปทํางานนะเช่นส่งใจเข้าไปดูโน่นดูนี่ไปดูวันไหนดีอะไรเนี่ย <Sure. S 1> ให้เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่ไหลไปทํางาน เราจะรู้เลยว่าจิตเคลื่อน ไ, ไปไหลไปเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดเนี่ยนั่นนิดดหอวบไหมหลงไปล้วหนีไปในโลกของความคิดไหมขณะที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดอารมณ์ปรามาภัยหายหมดแล้วเนี่ยหนีไปอีกละวเห็อารมณ์ปรามาภัยก็ดับหมดไยคือขณะนั้นพรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจเนี่ยขณะนี้ยลืมกายลืมใจหลอวบไหม ก็ลืมรู้กายรู้ใจตัวเองนะเอาง่ายๆรู้รูปรู้นามนั่นแหละเพราะอารมณ์ปรมัติที่ใช้ทํำวิปัสนาคือรูปนามไม่ใช่นิพพานได้ได้คือบางคนไปคิดว่ากายานุปัสนาเนี่ยรู้แต่กายรู้กายรูปเดียวจริงไม่ใช่นะวิปัสนาต้องรู้รูปนามเริ่มต้นเลยมันต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ อย่างเราเห็นรูปนี้รูปนี้นั่งอยู่ใช่ไหมรูปเนี้ยใจมันเป็นคนรู้รูปนั่งเนี่ยฝึ ก, ฝกยังไงก็ต้องเข้ามาที่ใจนี่ก่อนจะมาฝึกสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสมถะก็มีก่อนจะมาฝึกสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องมีสัมมาส ม, มาธิแล้วก่อนเพราะาการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยเป็นเจริญปัญญาปัญญาสิกขา ก่อนจะมีปัญญาศิกษาต้องมีจิตศิกษาก่อนนี้บางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นก็ไปรู้รูปรู้นามเลยข้ามไปขั้นหนึ่งข้ามบทเรียนเป็นบทหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนเรื่องจิตศิกขาบางคนบอกจะเอากายอย่างเดียวไม่เอาจิตก็คือทิ้งบทเรียนไปบทหนึ่งจิตศิกษาไม่ใช่แปลว่าไปรู้จิตที่เกิดดับแต่ทํายังไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวจิตไม่หลงไปไม่ไหลไป จิตขเราจะหลงไปไหลไปทั้งวันนะถ้าตามองเห็นก็ไหลไปทางตาหูได้ยินก็ไหลไปทางหูใจคิดนึกก็ไหลไปทางใจลงมือปฏิบัติแล้วนั่งเพ่งส่งจิตเข้าข้างในไปนั่งเพ่งโน้นเพ่งนี้เน่ใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันเรียนรู้ให้ทันเดินจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้สึกตัวลงปูดูหนึ่งเริ่มต้นตรงเนี้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือไม่หลงไปทางทวารทั้งหกพอจิตไม่หลงไปวิธีทําไม่ให้หลงทําไง ทำไม่ได้แต่ว่าหลงไปแล้วรู้ว่าหลงไปจิต้็จะตั้งมั่นขึ้นน่าชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิทั้งใ น, นชั่วขณะพอจิตตั้งมั่นแล้วรู้ถ้าสติมันเราได้รู้รูปนะก็จะเห็นรูปไม่ใช่เราสติรู้นามนามไม่ใช่เราเลยเพราะั้นโชกเกศสิกไม่ใช่เราเลยเนะหลือแต่นามจิตนามจิตก็ค่อยไปดูกันทีหลังจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็เกิดทางตานี้จิตเกิดทางหูหรือจิตเกิดทางใจ เกิดดับหมดเลยไม่มีอจิตที่เที่ยงจิตผู้รู้ก็เกิดดับแต่ถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราถลําลงไปเราจะลงไปนอนแช่มันก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งมาฝึกประกุดวจิตเนี่ยรู้รูปไหจิตไหลลงไปเกาะอยู่ในรูปไปแช่รูปอยู่คล้ายๆกวา ย, ายใช่ไหมเปนแบบเมือนไก่ฟ้าแบบเหมือนวาย ปฏิบัติกรรมฐานแบบวายลงไปนอนในปลักอ่ะลงไปนอนแชก่กับอารมณ์ไปนิ่งๆอยู่ยงั้น่ะเราคิดว่าดีเพราะฉะนั้นจิตหลงแล้วไม่ดีห้ามห้ามกลับให้รู้เท่าที่มันเป็นทันทีที่รู้ว่าแช่นะเลิกแช่แล้วเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตมีดวงเดียว ตอนนี้จิตวิ่งไปแช่แล้วต้องไปเอาคืนมาเ น, นี่เป็นความเห็นผิดนะว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวหรือจิตเหมือนแมงมุมเดี๋ยววิ่งไปทางนี้เดี๋ยววิ่งไปทางนี้ความจริงมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆขณะที่รู้ว่าแช่นะั้นะรู้นะถัดจากนั้นอกุศลใหม่เกิดอีกแล้วอยากจะไม่แชนะ่เพราะว่าสัญญาอย่างจำได้ว่าเมื่อกี้แช่อยู่ก็ไปยังจาว่าเราแช่คราวนี้อยากไม่แช่นี่จิตเป็นอกุศลอีกแล้วก็ไปดึงคืนมา พยายามไปดึงอะไรก็มาก็ไม่รู้ความจริงมันไม่ใช่จิตหรอกเพราะจิตมันคือคนที่รู้นี่พอดึงมาก็แน่นเลยตอนนี้ทุกเกิด